อนาปติวานภิสษตต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัดคือ441หนึ่งิกษุยังไม่ถูกสวดสมรูปัสองพิสษุผู้ยอมสละสภิกษุวิกลจริต 4. ี่พิสูุต้นบัญยัตปุระทูสกะสิขาบทที่13จบ